เรื่องภิกษุณีเป็นไข้หนึ่งพันสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายเป็นไข้พวกภิกษุณีผู้ถามอาการไข้ได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าพวกท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกภิกษุณีผู้เป็นไข้กล่าวว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนพวกดิฉันออกปอ่าขอเนยใสมาฉันได้เพราะเหตุนั้นพวกดิฉันจึงมีความผาสุกแต่บัดนี้ าะดิฉันยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามจึงไม่กล้าออกปากขอเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีความพาสุขพิกษุทั้งหลายได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ